ทำๆกันเถอปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมใครๆก็ทำได้ทุกคนทุกรูปทุกนามทุกชาติชั้นวันนะเรามีกายมีใจเรามีสติ เพื่อจะดูอาการที่เกิดกับปากกับใจง ย, ยากการปฏิบัติธรรมเข้าถึงโดยตรงเพราะอะไรพระพุทธเจ้าหายของที่คว่ำขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้ว เือส่วนที่เป็นชิริ่วทิ้งไปแล้วเห็นได้รู้ได้ทุกคนสิ่งที่ทํายากก็ทํำให้ง่ายได้แล้วเพราะมีผู้บอกผู้สอนมีสูตรมีวิธีการของที่ทายากก็ทํำให้ง่ายขึ้นของที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นเห็นขึ้น ในพระโชวก็วิธีปฏิบัติเราก็รู้อยู่แล้วคือรู้เขียนเข้าเหยียดเขียนออกมีสติในวันที่พระพรุทธเจ้าตัดสู้นั้นองค์ทำแบบนี้ไม่เอาวิชาความรู้มันสมองไม่ใช่เลยเอาดุนๆุนก้อ น, ก, อนก้อนที่มันมีอยู่ ให้หมัมีสติเห็นเหการต่างๆที่เกิดขึ้นนั่งคู่แขงเข้าดั่งเกยี่ยแขนออกมีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนไว้ก่อนมีสติภปในกายมีสติภายในใจิตใจกายก็ให้มันเคลื่อนไหวคู่แขงเข้าเกลีย่ยแขนออกให้มีสติ ใจนั่นเมื่มันคิดทวานของใจคือมันคิดให้มีสติจะเข้าไปอยู่ในความคิดพระองค์อาจจะคิดถึงพิมพาบ้างคิดถึงหล่หุนบ้างคนเคยมีลูกมีเมียคอคิดถึงลูกถึงเมียเป็นธรรมดาแต่ไม่ไปตามความคิดความคิดถึงลูกถึงเมียมันคิดขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจก็กลับมามีสติ ดูสักตัวเึงความคิดเปลี่ยนเป็นความรู้มีกายเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจอมมันมีหลักอยู่มีสติเป็นเจ้าเรือนอยู่เ จ, ยย เ, เจ้าของกายอยู่เป็นเจ้าของใจอยู่ดูแลมันอยู่อะไรไม่จะเกิดขึ้นมามีสติเข้าไปรู้ มันจ ะ, จะแสดงออกมาอะไรต่างๆเรื่องเก่าๆให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆรู้เห็นพบเห็นสิ่งที่มาเกิดกับตายกัดใจเรานีไม่ต้องแค่สมองเอาเหตุเอาผลสติไม่ใช่สมองเป็นความรู้สึกตัว เวลาอะไรที่มรนเกิดอะไรขึ้นกับกายก็ลรู้สึกตัวซะหลายอย่างที่มันเกิดกับกายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับใจมันเคยชินเป็นโจทย์ที่ทำให้เราได้แก้ไขมีสติมีเป็นตัวพิพากษารู้ เท่าลู้ทันรวมหลงกลายเป็นความลู่ได้รวมทุกข์ก็กลายเป็นความลู่อะไรที่เกิดปลายกับใจขึ้นมากลายเป็นความลู้ทั้งหมดรู้สึกตัวนี่เป็นหน่อโพธิเป็นหนอพุท ธ, นนทธมีกันทุกคน ไม่ไปขอใครมีสิทธิใช้ได้อย่าไปเอายากเอาง่ายอะไรพวกเกิดขึ้นมาก็เห็นมันรู้สึกตัวอย่าเอาผิดเอาถูกให้ให้รู้สึกตัวอย่าเอาชอบไปชอบให้รู้สึกตัวเอามวาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมด มันจะมีอะไรที่มาเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกตัวทั้งหมดถ้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวไปในกายแล้วก็มีจริงๆกายก็มีจริงๆริงมีสติอยู่นี่เคลื่อนไหวอยู่นี่เมื่อวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้ไปมันจะมากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกตัวนี่จะชำนาญขึ้น เมื่อชะติมันชำนานขึ้นก็เป็นศาตรเป็นศิลเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนอะไรเป็นความรู้ได้ง่ายขึ้นง่ายที่จะรู้ขึ้นเรื่องเก่าก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปบ่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปตัวรูปบ่อยๆเขานก็จะบทเป็นนะ รวมหลงก็จะหมดเป็นเมื่อเหมือมนเปลี่ยนเป็นรูเนีถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้เปลี่ยนสักทีก็หลงก็ฝังอยู่ในดัด้นทุกเป็นทุกหลงทุกเป็นทุกก็ฝังอยู่ในดัด้นทุกทีเลยก็เป็นทุกทุกทีโกดทีเลยเป็นความโกดทุกทีหลงที่ลยเป็นความหลงทุกทีแบบนี้มันเป็นความรูไปเฉลี่ยมันจบมันถอนลากถอนโคนออก มันกระดายเยะถอนทิ้งไปถอนทิ้งไปอนที่สติก็ไปแทนที่หลงหลงกลายเป็นสติแทนที่ที่มันหลงนั่นนี่วิธีปฏิบัติเราเปประเมินในลายความรู้สึกตัวนั่นแหละเป็นตัวขี้วัดเป็นเจนขี้วัด อะไรที่มันเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวก็ถูกแล้วไม่ต้องไปหาอะไรหาคำตอบที่ไหนจะเลิได้แล้วจบตรงนั่นแล้วเห็นใ บ, บ่อยเห็น บ, บ่อยก็จะรู้เรื่องอาการหน้าตาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นกายเป็นลูกเห็นใจเป็นน้ำอาการที่มันรู้สึกตัวนี่แหละ มัเป็นรูปเป็นนามที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่แตกฉานไปเองว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นนะสุขเหนทุกเป็นอาการของกายของใจแต่ลูกทำเป็นนามท ำ, ท ำ, ทำมันทำดีมันทําชั่วรูปนามนี่มันจะสอนให้มันจะแสดงให้เราเห็นเองมีอะไรเท่าไหรที่ไหน เกี่ยวกับลูกผมน้าจะบอกหมดเมื่อมีสติแล้วเหมือนกับการศึกษาบรรักษศึกษาเรียนตาลาตาลามันอยู่ที่กายที่ใจนี่มันมาให้เห็นเองมาเป็นหมูเป็นหมวดมาเป็นเราเป็นกอหมวดกุศลหมวดเอากุศล เกิดจังไรเมื่อัววิชาบวชวิชาเกิดยังไงวิชาคือความไม่รู้กุศลคือความรู้ความฉลาดวันหนาเป็นความฉลาดมาพร้อมกันมันมีคู่กันอยู่ไม่เห็นของเป็นคู่กันอยู่เมื่อมีหลงก็มีรู้กันอยู่ เมื่อมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์กันอยู่ว่าเกิดที่ชีวิตของเรานี่มันเป็นคู่กันอยู่มีบุญก็มีบาปมีความไปลูกก็มีความลูกหาได้ตรงกันข้ามและมีสติจะมองเห็นตรงกันข้ามไม่จนในชีวิตของเรานี่มีของตรงกันข้าม ได้เห็นทุกข์ก็เห็นความไม่ทุกข์ถ้ามีสติตอมไปวิาติก็เห็นอันเดียวทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปเลยติเนี่ยมันจะทำไม่เกิดความเป็นธรรมไม่ทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความหลงก็มีความไม่หลง จนที่จุดในความเกิมมเด ก, มม ก, ก็มีความไม่เกิดในความแก่ก็มีความไม่เจ่ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายมันจะเป็นกระแสไปเองผู้ปฏิบัติทรรมย่อมได้กระแสแห่งพระนิพพานเห็นช่องเห็นทางเป็นทางไปยิย่งมาเห็นรูปเห็นนามมันบอกหมด ไม่มีการปิดบางงามพางรูปมันมาแสดงออกอะไรบ้างรูปทำน้ํามทำมันทำดีมันทำชั่วรูปทุกน้ําทุกมันเป็นทุกอย่างไรรูปมันไม่เที่ยงอย่างไรรูปเป็นทุกอย่างไง ร, รูปไม่ใช่ตทวตนแบบไหนสติจะได้เห็นเข้า ดวงพ้นภาวะเก่าไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้มา ต, ต้องเรียกมันว่าทุกมาต้องเรียกมันว่าสุขเรียกว่าเป็นอาการที่เกิดกับกายกับใจเห็นไม่ได้เป็นไปกับมันยิ่งใหญ่ละโดยเห็นเนี่ยเหนือแต่ก่อนมันเป็นอสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ ก็ศึกษาไปศึกษาไปมันจำเนี้ยํานานก็เลยเห็นมันจ้าไม่มีค่าอะไรสุขไม่มีค่าทุกขกก์ไม่มีค่าความหลงความโกรธความโลภความวิตกความโกรธเศร้าหมองไม่มีค่าไปเห็นมันมเป็นไปดานการที่เกิดกับปากับใจเพราะมันมีรูปไม่นม้ำมันมีรูปไม่นม้ำมันจะเกิดอาการขึ้นถ้าไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่รูปเพียนน้ำ กวามหิวเป็นอาการของลูกความร้อนความหนาวเป็นอาการของลูกถ้ามันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูกถ้ามันหนาวมันร้อนไมนเป็นก็ไม่ใช่พิูปมัต้องไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นทุกข์เป็นอาการที่มันแสดงออกน่าจะขอบคุณมันนั่งนานก็ปวดปอาการของลูก ถ้ามันปวดไม่เป็นก็มันก็ไม่ใช่รูปอาการที่เกิดกับรูปเป็นชัญญาณภัยที่มันแสดงออกให้เราได้รู้จักช่วยเหลือบรรเทาวบาวางไปทุกฝังอย่างที่เกิดกับรูปก็บันเทาก็หายได้บางทีก็ต้องแป็นห อย่างไม่ใช่เป็นอาการธรรมดาไม่เป็นในสิ่งที่มาทีหลังจรมาเช่นติดปุรีอาการที่เกิดกับปป ร, กรูกความนามพร้อมกันก็เคยสุบุรีก็ติดบุรีก็เกิดอาการขึ้นมาเพราะเป็นปีนี้โคเอนตินอยู่ในเลือดเมื่อบันนี้โคเอนตินมันจะแห้งมันก็มีอาการแสดงออก ไม่มีการแสดงออกก็ร่วมกันกับนามก็คิดไปเอยทำกรรมที่ไม่ดีไปซะไม่ไม่เห็นตามความเป็นจริงนมอแต่จิเลตันหนาสังขรนผูกแต่งมันก็ร่วมกันกับนามมันมีนามสุขทุกมันก็มีรูปมีนาม จึงเห็นมันเป็นอาการมีสติถ้าสติเข้มแข็งจะรู้จักแกกแต่รู้จักแยกไม่เมื่าก็เห็นเป็นลูปเป็นนามแหละมันแตกฉานมันมันบอกความเท็จความจริง ถ้ามันเห็นเป็นของเป็นคู่ของที่มีคู่ก็ย่อมเห็นอะไรได้ง่ายเห็นอานหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งไม่จนการเห็นอันหนึ่งเห็นชุกเห็นทุกเน่ยปัจจุบที่เห็นนี่เป็นกลางสตินี่เป็นกลางมีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมจะได้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับรูปกวานาม แต่ก่อนเราไม่มีความบป็นธารต่อเรารูปกบางเบียดนามนามบางเบียดลูกเบียดเบียนกันแต่ความผิวก็เป็นทุกข์ที่ใจความหิวความเจ็บป่วยทั้งรูปก็เป็นทุกข์ที่ใจใเวลาจิตใจมันโกรธมันทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่รูป ก, กินไปได้นอนไม่หลับ วังวนเปียนเปียนกันไม่เป็นธรรมต่อกันพอม่เห็นรูปเห็นนามมัมีความเป็นธรรมต่อกันมากขึ้นเมื่อมีความเป็นธรรมต่อกันมากขึ้นก็แสดงความบริสุทธิ์เกิดเป็นฉินเกิดพป็สมาธิเกิดเป็นปัญญาขึ้นมา โยมหลงเป็นความรู้นี่คือรักษาศีลเชลแล้วมีศีลแล้วเราที่เกิดปางกับใจรู้จึกตัวเนี่ยคือรักษาศีลเราความชั่วแล้วทําความดีแล้วเมื่อมีความอะไรเกิดเมื่อมีอาการอะไรเกิดกับรู้เนี่ยคือทําความดีเราเราความชั่วแล้วเท่าถึงความรู้แล้วหยุดบริสุทธิ์แล้ว พ า, าที่รุ่นทำไม่กิดิบริสุทธิ์เป็นศีลเสร็จแล้วศิลศึกขาศีลทะหลงศย่อยไม่ใช่ศีลธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่เคยลบศีลจากอะไรใครที่ไหนใช่ไหมก่อนนั่นไม่มี ไม่มีคำับสินจากกุฎอยเมื่อปฏิบัติจากนี้เกิดเป็นสินขึ้นมาสินก็มาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยเห็นคุณค่าของสินเห็นคุณค้าของสมาธิสินคือปกติตาวะที่มันเกิดความปกติเกิดกับกายกับใจไม่ดิ่นรน ว่ามันปกติก็เห็นอะไรได้ง่ายเหมือนกับ น, น้ำที่มันนิ่งน้ํานิ่งก็เห็นปลาเห็นอะไรง่ายไม่มีคลื่นอยู่ที่ไหนก็เป็นเฉพาะเรื่องปลาเห็นรูปก็เฉพาะเรื่องหูได้ยินเสียงจะหูได้กลิ่นไม่ปรุงไว่แตงต่อไปเห็นเป็นภาวะที่รู้แล้ว คือเป็นชิ้นอย่างนี้จนชิมิชำนานเตือนหลงเป็นรูปเปลี่ยนเลยเป็นรูปทั้งหมดก็ชำนาญทำเรื่องเดียวนานๆหนึ่งวั น, <c oughs> ห, นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันสองวั น, ส, วนสามวันห้าวันเจ็ดวันโดยมความชำนานก็เป็นศาสตร์เป็นศิ้นขึ้นมา เปศาสตร์เป็นเช่นนี้หรือว่าปัญญาเขว่าได้ยาตะปะยาปิญญากาหนดรู้โดชะ ร, รู้รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วก็ถึงภาวะที่รู้แล้วไม่เอกใจไม่เอกใจไม่มีคําว่าทําไมทําไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่มี มีว่ารู้แล้วกระเวนทาก็รู้แล้วเขาสังเสริญก็รู้แล้วสุข ก, ก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วปัญญายาตาปิปัญญาเป็นญานอย่างรู้รู้แล้วรู้แล้วก็แจกแจงได้ว่าติชณะปิญญาแจกแจงออกเวลากาลเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นนาม เกี่ยวกับเราเราก็ตามเจยบโคต่นก็ตามปัญหาหน้าปัญญาทำให้เรื่องนั้นหมดไปไม่มีข้างคาเลี้ยงเกาไปเลยเป็นฉูดไปได้ประโยชน์จาความหลงทำให้เกิดความรู้ได้ประโยชน์ความทุกข์ทำให้เกิดความไม่ทุกข์ แตเราสูงขึ้นเพราะจริงเรานี้ยถ้าไม่มีทุกขเวทเจ้ามาจาดจะลูกหรอกทุกทแถวแถวทําเกิดพุทธเจ้าขึ้นมาแล้ประโยชน์เหมืนกับปุ๋ยทําไม่พืชงามสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเป็นเกิดจริงที่เกิดขึ้นกับลูกกัมนามนี่ เพื่อให้เกิดพุท ธ, ธะนะถ้าเราศึกษามีสตินะปัญหาถ้ามันเกิดปัญญานะถ้าไม่มีหลงก็ไม่มีรู้ถ้าไม่มีทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ไม่รู้จะพุทอะไรถ้ามันมีอย่างนี้มีรูปมีนามรูปนามก็บอกความเท็ความจริง ความหลงมันไม่จริงผมไม่หลงจริงกว่าความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงกว่าสัมผัสเอาไม่ต้องถามผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองเห็นความหลงเห็นความไม่หลงคู่กันความหลงเป็นสมมุติปัญญาต์ไม่จริงความไม่หลงเป็นปรมัตสัจจะจริงกว่าได้ประโยชน์กว่าเป็นธรรมกว่า รวมทุกมาเป็นธรรมกฎม่ทุกเป็นธรรมกว่าได้เกิดความเป็นารรมแก่ตัวเองไม่ต้องเรียกร้องความเป็นธรรจากคนอื่นได้ความเป็นทรจากธรรมที่มีอยู่ในตัวเรานี่การเรียกร้องความเป็นธรมจากคนอื่นนั้นหาได้ยากโดยจึงมาพบเห็นเรื่อง คเคลดความจริงเกิดกับรูปกวามดางังเกิดกับกลางกับ ใ, ใจเรานี่ยจะรู้จกักบุญรู้จักบาปละบาปได้ทำบุญได้มีบุญได้บุญคือรู้บุญคือรู้รูป ร, ร, ร, ร, รู้นามรู้อาการต่างๆรู้ตัวเองจะจบชิ้นเรือบุญไม่มีหลงไม่ให้รูปหลอกไม่ให้นามหลอกได้ ดอกให้สุกให้ทุกประดายอนรูปันามนี่เห็นแล้วนี่คือสุกนี่คือทุกเหนือแล้วนี่คือความโกรธนี่คืออวามโลความหลงนี่คือการปลงแตง่งจกี่ยวตาหลาคะหลอกไม่ได้แล้วก็เป็นความไม่สุ์แม้แต่ความคิดก็อายแล้วคิดที่ไม่ตั้งใจถ้าปล่อยความคิด พุ่งซ้อนไปเข้าไปอยู่ในความคิดก็ถือว่าผิดฉินได้นะฉินฉิกขานะฉินสมาธิปัญญานะภิกษุคนคิดในลมที่คุณคิดไม่ได้จักสละความคิดเป็นความรู้ฉินของเธอทะล้แล้วด่างแล้วพ้อยแล้วนี่เวลาเราปฏิบัติธรมเราจะมีศินอยูนะ่มีเป็นฉินขึ้นมาเต็ที แต่ความคิดก็หลอกมาได้ไม่ได้เข้าไปในความคิดเห็นเหมือนคิดไม่ได้เป็นผู้คิดมีสติเห็นครงหลงบ่อยๆก็ ม, มีปัญญาบ่อยๆจะมีจะนานมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขอสินไม่ได้สมาทานสินถือว่ารักษาสินโดยตรง จะรักษาสํารวมมีสติต่อไปฉิญจะรักษาเราจะบางอาทิตจะรักษาเราปัญญาจะช่วยเราจะโลภรู้เนกองสังขารนี่สังขารคือกายคือใจเรานี่กองสังขารนคือกายคือใจเรานี่ยปัญญาเกิดแต่กองสังขานี่ที่มันจะแสดงออกมาให้เราเห็น นี่คือความหลงไม่ใช่ไม่ใช่ความถูกต้องนี่ความทุกข์ไม่ใช่ความถูกต้องจะเห็นของเท็จของจริงเกิดกับกายกับใจเราจะเป็นคนฉลาดจะไม่งูจะรู้จักบุญรู้จักบาตรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคนเป็นคนดีคนมีปัญญาก็รู้รูปรู้นาม ก็คือปกติไม่ได้ปรุงได้แต่งสมาธิก็เฉพาะเรื่องเฉพาะเราใช้ชีวิตเฉพาะเรื่องไม่ใช่ปุุงซ้อนแต่นอนก็หลับแต่คิดอะไรก็เป็นปัญญามีสติออกหน้าออกตาจับความคิดมาใช้ จับตามารู้จับหูอกฟังไม่ใช่มันใช่เราแต่ก่อนนี่มันใช่เราบางทีความคิดก็ใช่เราหยุดความคิดก็หยุดไม่เป็นเวลาโดนขอเรื่องบ่คิดเรื่องนั่นและนี่ต่อไปจนนอนไม่หลับวันนี้ไม่มีเชลามีแต่เราใช่ความคิด ความคิดไม่ตั้งใจมากที่สุดสมัยก่อนไม่อยากคิดนั่งก็คิดความคิดหมายเกิดอะไรก็ได้คิดเกิดมาน้ําตาไหลคิดเกิดมาหัวร้องไห้คิดเกิดมาแล้วเกิดจิตดือนหาก็ได้เราคิดก็พาไปไปไกลแล่นไปเป็นสังขารเป็นวัฏตะไปเรื่องเก่าออกมาคิดแล้วคิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แบบนี้มันไม่มีแล้วแบบน้าน้าเราใช่ความคิดไม่ใช่ความคิดใช่เราเราใช่กายไม่ใช่กายใช่เราความรู้สึกตัวก็เป็นใหญ่เป็นความไม่ใหญ่ก็เป็นความเป็นธรรมไม่เป็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นก็เหยื่อในสูงอาศัยได้มั่นใจ มั่นใจที่ใช่กาใช่ใจตกต้องไม่เปิดเพื่อนกับอกุศลและถมถ้าเราไม่เปิดในะมใจก็ไม่มั่นใจตัวอเองดกไในรู้ว่าจะเป็นตังไงไม่มั่นใจกุ้มร้รยคุ้มดีภูผูแพร มีใจแท้ๆก็พึ่งไม่ได้แล้วแต่มันจะคิดไหลขึ้นมาแล้วแต่มันจะเกิดไหลขึ้นมาเกิดโกรธก็ทําตามความโกรธเกิดหลงก็ทําตามความหลงเกิดรักก็ทําตามความรักเกิดเกียดชังก็ทําตามความเกียดชังเสียเปรียบอกุศลละทอมเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์เสียเปียบความรักความชังหลงไป ผิดพลาดเจแยๆมันไม่จริงความกลก็ไม่มีจริงความลกความเกลียดชังไม่มีจริงนันแต่นอาตุกะจรมาทาให้เราได้ไม่รู้ทำมาหลงทำตามมันแบบนี่นไม่เสียเปรียบมันเลยหรอกอิสติเป็นใหญ่ รู้แล้วได้ปัญญาแล้ว้าจะเรียกว่าบุญก็มีบุญแล้วบุญคือรู้ไม่หลงอยกแล้วตลาดแล้วริงที่หลงพ้นเพราวะว่าเดิมๆขึ้นมาบาปคือไม่รู้ไม่รู้โกรธก็เลยโกรธซาไม่รู้ทุกก็เป็นผู้ทุกษาบัดนี้รู้แล้วนี่ มันมาฉกโต้องก็ดีสะละขึ้นมาจิตใจมันสูงขึ้นมาแต่ถ้าบางทีถ้าปฏิบัติอย่างประเสริฐก็ได้ผลอย่างประเสริฐเช่นพระเจ้าเนะ่ราจะมีเพียงพระเจ้าวันเดียวคืนเดียว ได้ ต, ตัดชะลูเป็นปัจจุตระสมอาสมปพธิยานเลยทำเทยวนี้มีสติปายในกายอาการเกิดกลายขึ้นมาก็เห็นมีสติไปในจิตใจเวลามาคิดรู้จิตตัวขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปเมื่อ ม, มากเท่าไหร่ยิ่งรู้มากเท่านั้นมันหลงมากก็รู้มากมันคิดมากก็รู้มาก อะที่เกิดขึมากับใจมากเท่าไรก็รู้มากเท่านั้นพระองค์อาจจะมากกว่าเราเป็นชาว่้าชายที่ประสาทต่อระดูมีสนมกำนันในมีพระเจ้าจากกักรพรรดิอาจจะอาจอาจะ ค, ค่อยชินแล้วนัดบางนาน อาจจะคิดมากกว่าเราอีกี่ได้ช่อมไปทำไมจึงมานั่งต้นโพดีประชาฉันดูคงเคเคยประทับเคยอยู่เราไม่เคยมีประชาสันดูได้ดูฝ น, นอยู่หลังหนึ่งแล้วดูลมอยู่หลังหนึ่งแล้วดูหนาวอยู่หลังหนึ่งมานั่งใต้ต้นโพนี่คิดมากกว่าเราเหตุผลอะไรมันเยอะแยะไปเลย นม่เอาเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมนี่รู้สึกตัวนี่กลับมารู้สึกตัวนี่มารู้สึกตัวนี่คิดถึงวิจารณ์สัมรู้กลับมารู้สึกตัวเห็นมันคิดไม่ใช่ความจริงมันคิดขึ้นมาเองตอนนั่งอย่างนี้มีความรู้สึกตัวอยู่นี่นี่คืวามจริงคือรู้สึกตัวอยู่นี่คิดถึงบ้างก็เรามารู้สึกตัวอยู่นี่คิดถึงคนเล็กคนจังกลับมารู้สึกตัวอยู่นี่ นี่ปฏิบัติจังประเสริญเปลี่ยนไว้เป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปพอลอยเกิดครึ่งป่ายเปลี่ยนมาเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปเป็นวิธีลลัดตรงๆอย่างนี้ถ้าเข้าถึงภาวะที่รูปนี่เฉือนส่วนชิลิวออกแล้วส่วนชิลิวไม่มีแล้วเข้าถึงภาวะที่รูปแล้วหายของที่คั่วขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดตกแล้วได้เป็นความรู้แล้วคอยเป็นความรู้สักตัวแล้ว เราทำเป็นจริงๆนะี่เกินเดียวหวันเดียวมีเหมือนกันรหันหลายรูปโตคือเราทุกคนดีเหมือนกันหมดมีรูปมีนาเหมือนกันหมดมีความหลงไม่ความไม่หลงเหมือนกันหมดเรื่มัน ถูกก็อย่าไปพอใจเวลามันผิดก็อย่าไปไม่พอใจแล้วยากก็เห็นมันยากมันง่ายเห็นมันง่ายมันฉุกไป็นมันฉุกมันผิดเห็นมันผิดเห็นเลยไปอย่างนี้ปฏิบัติทํามเนี่ยมันจะไปไหนถ้ามีภาวะที่เห็นรูอยู่เลยรูรูเลยรูอยู่เรื่อยเปลี่ยนไม่คนรูแล้วมันก็รูได้จริงๆ ไปสติไปในกายเนี่ยกลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่มาเช่ไปให้มันสงบนะ้วแล้วกับพวกกับคนลังที่ถามน้องตาว่านั่งดูนั่งสงบดูความคิดความคิดก็หมดไปมันชึ้นมาอีกแล้วลู่ลูล่สุดตัวความคิดหมดไปถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าให้มันสงบมันก็ไม่ได้รู้ตัวเนี่ยความรู้ตัวนี่มันจะไม่จำนากลายเป็นจมาทาไปจะใครก็ทําได้ง่ายทําให้สงบเนี่ยบริกรรมลงไปอย่าไปอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ในความสงบออกมารู้จึกตัวเนี่ยมันจะต่างตัวนี้นะเวลามาคิดรู้สึกตัวเวลามาจะสงบรู้จึกตัวเวลามจะผู้สั้นรู้จึกตัวเนี่ย มาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดไม่จะเหลืออะไรไม่จะกี่รอบโผมหลงจะกี่โรอบนัดเป็นความรู้หลงเป็นความรู้สุขเป็นความรู้ทุกข์เป็นความรู้ดวงวิสุขวิทุกข์เป็นกี่สงไขข้างแล้วเคยเปลี่ยนไหมอายุปูณณ์นี่เคยเปลี่ยนไหม ก, กี่สงขยายค้างทุกข์กี่สงขยยทุกข์หลงกี่สงขยยหลงลองดูนี่เมื่อเปลี่ยนดูสิวันนี้เจ็ดวันนี่มาเปลี่ยนลองดูเลคยคนเคยทุกข์ก็ต้องมีทุกข์คนเคยสุข ก, ก็ต้องมีทุกขคนเคยหลงก็ต้องมีหลงแน่นอนเปลี่ยนเป็นความรู้อย่างเนี้ยมันจะยิ่งดีใหญ่ถ้าใครไม่เคยหลงไม่เคยโกรธไม่ใคยทุกข์เลอาจจะไม่มีรสชาติในการปฏิบัติธรรม ให้มันชิดลงปล่อยจะได้รู้มันยิ่งมันชิดมากจะรู้มากไม่ใช่ไปห้ามมันปล่อยมันให้มันแสดงออกให้เราเราจะได้ดูมันดูมันเป็นผู้ดูมันอย่าเข้าไปอยู่กับมันสนุกนะปฏิบัติธรรมให้หัวราะตัวเองหัวโล่ความทุกข์บ้างก็ยังดี หัวโล่ความทุก <relying> ข์ห <beni deuxième> ัวโล่ความหลงหัวโล่ความโกรธหัวโล่ความยากหัวโล่ความง่ายยิ้มในใจบางทีมันยิ้มนะปฏิบัตเห็นทุกเป็นยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เศร้าโศกนะถ้าเห็นมันจะยิ้มถ้าเป็นไม่ยิ้มไม่อกเห็นทุกข์ยิ้มยิ้มอมยิ้มในใจเห็นความหลงก็ยิ้มในใจนะถ้าเป็นเหรอมันไม่ยิ้ม นี่ไม่โชคนี่ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ ด, อนนดีอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกมันไม่ยิ้มอย่างนั้นไม่เอาแบบนั้นอันเดียวช ไ, ไหมฮะหัวรน า, ามทุกไงนะยิมไม่เจ่รองดเดียวควมทุกมันบสดชื่นนะไปบ้าเ อ, อ้ยใช่ไี่ก็ทูกข์เดินะ แค่นี้เขาโกรธเลยเนี่ยเป็นโทอคนแม่คนแค่นี้ก็โกรธเลยเนี่ยเห็นสามีเขาเป็นปัญญาคนแค่นี้นเขาโกรธกันเลยแนวอันทีโกรธแค่นี่จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงด่ามาันลงดูอเห็นความทุกข์ความหลงความโกรธมันไม่ใช่ชีวิตเราแม้วก็เปลี่ยนเป็นรูปเป็นผลลัพธสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจอก ความต่ําเป็นความสูงความต่ำพายเราสูงไปทางต่ำถ้าสุกเป็นสุกไปทางต่ำหลงเป็นหลงไปทางต่ำโกรธเป็นโกรธไปทางต่แล้วโกรธไม่โกรธสูงขึ้นไปถ้าโกรธไม่โกรธสูงไปเป็นรูปสูงขึ้นไปถ้าหลงเป็นรูปหลงเป็นรูปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเพราะให้เราสูงได้ มันสูงเพราะมันต่ํามันศาสตรเพราะมันจบมันศาสตร์เพราะมันจบกระปกรวมจบกระปุกทำเราเกิดความชาสตรเวลามราชี้กัมาจากจะรู้จักตัวเวลาเราชี้กัมาไปตั้งใจเนี่ยอะไรมากอายกวามตายตัวเองมากยิ่งเราเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยคิดอะไรก็ไม่ใช่สาํานักอายมาก รู้ักตัวเนี่ยมั่นใจมันเข้มแข็งตนเข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแอมันเข้มแข็งอย่างนั้นวลาเราปฏิวัติธรรมล้สนุกสนุกจริงๆไปเห็นตัวเองตามความเท็จเป็นจริงเห็นความเท็จเห็นความจริงเกิดกับรูปคนน้ำ นั้นอย่าไปหาไม่ได้ไปหาอลไรรามันมีให้เราเห็นเองว่าตจริมีสติภายในกายยิ่งกรรมฐานหลงพ่อเทียนยิ่งทุกวินาทียกมือสร้างใจว่าวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งสิบสี่วินาทีสิบสี่รู้เพียงพอเพียงพอต่อการใช้ในการ ปฏิบัติในการดูแลกายใจโลภด้านไม่เพียงพอถ้าไม่ลูกกลับมายกมึงขึ้นมาก็รู้ได้กลับมาเป็นควยมรู้ใแล้วอย่าลืมตัวนี้ถ้ามันคิดขึ้นมากลัวขึ้นมาก็พลิกมือขึ้นดูมถ้าม่นคิดหนักพลิกมือขึ้นเดิเกิดอะไรขึ้นมาก็พลิกมือขึ้นรู้จัตัวกลมาตัวนี้ถูกช่วยได้จริงๆความรู้จึกตัวนะั้เป็นพุทธะภ า, าวะ ท่ขึ้นมาเองตัวใครตัวมันจะไปนั่งคิดแต่ไปนั่งใจลอยหาเหตุแต่ผลไมารู้จักตัวตนเองทําเองปฏิบัติเองเพื่อปัดจองทําเองปฏิบัติได้เหวินได้ไม่จํากัดการมันหลงเปลี่ยนรูดได้มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้ปฏิบัติได้แบบนี้เป็นสิ่งที่ ท่าทายชวนมาดูจีเป็นผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็นตามทุกความใจผู้ปฏิบัติเป็นปัจจิตตังของใครของมนันทำมาใครทําได้เท่าไหรก่ก็ปัจจิตตังของคนนั้นหลงข้างหนึ่งลูกข้างหนึ่งหลงข้างหนึ่งลูกข้างหนึ่ง ถ้าหลงสองข้างสองข้างรูข้างเดียวปัจจตังเขาคนนั้นปฏิบัติอย่างเร็วก็ได้ผลอย่างเร็วปฏิบัติอย่างกว่าเฉิดก็ได้ผลอย่างกว่าเฉิดให้ใส่ใจตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอลไยเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นขอให้ที่นี่เป็นเบทีเป็นสนามฝึกเล่เาลอยคิดให้เอง จะกินไลจะจูงไงจะจุดให้ใช่ใช่พวกเราได้ที่ที่นี่มีอะไรก็ถามกันได้เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอ๋อขอมาชมควรจใ้เวลาด้วนนะ